ฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะเป็นการศึกษาวิชาความรู้ทางธรรมวิชาความรู้ทางธรรมนี้เราเรียกว่าปัญญาหรื อ, รอสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องปัญญานี้มีอยู่สามชนิดด้วยกัน เลือ3สามระดับระดับที่หนึ่งก็คือสูตรธรมยปัญญาคือการฟังเทศฟังธรรมฟังพระสูตรต่างๆสูตรมเนี่ยหมายถึงพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะแบ่งเป็นพระสูตรเทศครั้งหนึ่งก็เป็นสูตรหนึ่งเรียกว่าสูตะมยปัญญา ระดับที่สองคือจินตามายปัญญาคือหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วสิ่งที่เราต้องนำไปพัฒนาต่อไปก็ให้เป็นจินตามายปัญญาคือให้ไปพิจารณาซ้ำๆไปคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืม อันนี้ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามัยปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่หลงลืมปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้ลืมง่ายฟังปุ๊บเดี๋ยวพอไปทําอะไรอย่างอื่นก็ลืมนะพอฟังเสร็จแล้วถ้าไม่อยากจะลืมต้องไปทบทวนอยู่เรื่อยๆด้วยการพิจารณาซ้ําๆซักๆพิจารณาบ่อยๆ เหมือนกับการท่องสูตรคูณหัดท่องสูตรคูณบ่อยๆหรือหัดสวดบทสวดมนต์บ่อยๆที่เราสวดกันเป็นก็ เ, เพราะว่าเราไปท่องกันอยู่เรื่อยๆ อ, อิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ ท, ท่องกันไปปากเปียกปากฉีกเดี๋ยวก็จําได้ทีนี้ก็พอจําได้แล้วมันก็จะไม่หายไป มันก็จะอยู่ในใจเราเป็นจินตามายปัญญาเป็นความรู้ที่ไม่ไม่เลือนลางแต่ยังเป็นความรู้ที่ไม่มีกำลังที่จะเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาให้เรียนรู้นี้มีหน้าที่เอาไปดับความทุกข์ใจต่างๆ เกิดขึ้นภายในใจของเราอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่บางทีเราไม่รู้ว่าเรามีความทุกข์แล้วพอเห็นอะไรได้ยินอะไรหน่อยไม่สบายใจแล้วนั่นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาดับไปทันที หรือทำให้มันไม่ดับไปไม่ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเราต้องพัฒนาความรู้ระดับที่สองปัญญาระดับที่สองนี้ไปเป็นปัญญาระดับที่สามปัญญาระดับที่สามเราเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาชนิดที่สามนี้ต้องมีการภาวนามาเสริมกำลังของจิต จิตที่ไม่ได้ภาวนาคือไม่ได้เจริญสมถะภาวนาจะไม่มีกําลังที่จะเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้ไปดับความทุกข์เหมือนกับคนที่เหมือนกับทาหารที่จะไปต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูได้อาวุธมามีอาวุธครบทุกอย่างแต่ยังไม่ได้กินอาหาร ยังไม่มีแรงรต้องกินอาหารก่อนพอกินอาหารอิ่มแล้วทีนี้ก็จะมีกำลังด้วยมีอาวุธด้วยปัญญาชนิดที่สามนี้จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ามีการฝึกจิตภาวนาจเจริญจิตสมถภาวนานี้เอง สมถะแปลว่ก า, าการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขาแล้วทีนี้ใจก็จะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสได้หยุดกิเลสที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจพอกิเลสอยากจะไปทำอะไรก็หยุดมันได้พอหยุดมันได้ความทุกข์ก็จะไม่มีนันนี่คือ เรื่องของความรู้ทางธรรมหรือความรู้ของพระพุทธศาสนาสสมีเอาไว้เพื่อมากําจัดความทุกข์ต่างๆมีม า, าไว้เพื่อกําจัดกิเลส ต, ตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น จะสามารถกำจัดความอยากเหล่านี้สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้ต้องมีปัญญาระดับที่สามนี่คือเรื่องของปัญญาในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาเจริญกันมาสร้างกันขึ้นมา เบื้องต้นก็สอนให้ไปฟังเทศฟังธรรมก่อนสรงกาหนดวันธรรมะสวนาขึ้นมาวันธรรมะสวนาแปลว่าวันฟังธรรมก็คือวันพระเป็นวันธรรมะสวนาะวันฟังธรรมวันที่จะต้อนศัตราญาติโยมที่หนีไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นให้มาเข้าห้องเรียนกันต้องมีวันพระ ถ้าไม่มีวันพระไม่ยอมเข้าวัดกันสมัยนี้ยิ่งวันพระไม่ตรงกับวันหยุดเลยมีข้ออ้างไม่เข้ากันใหญ่สมัยก่อนวันพระตรงกับวันหยุดทุกคนเลยเข้าวัดกันสมัยก่อนคนมีปัญญามากแต่สมัยนี้คนมีปัญญาน้อยเพราะว่าไม่ได้เข้าวัดกัน เพราะว่าวันพระไม่ไปตรงกับวันหยุดวันหยุดเดี๋ยวนี้ไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่เลื่อนไปได้เรื่อยอาทิตย์แต่อาทิตย์นี้จะเปลี่ยนไปเช่นวันพระที่แล้วตรงกับวันจันทร์เดี๋ยววันพระหน้าตรงกับวันอังคารพอมันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็เลยเข้าวัดไม่ได้ แต่สมัยนี้ก็เป็นบุญของชาวพุทธเราที่เรามีการพัฒนาการเผยแผ่ธรรมะไม่เหมือนสมัยก่อนอยากได้ธรรมะต้องไปวัดเพราะว่าต้องไปหาพระเทศให้ฟังที่อื่นไม่มีสมัยก่อนหนังสือก็ไม่ค่อยมีคนก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อยากจะได้ความรู้ทางธรรมต้องไปที่วัดเพียงอย่างเดียวแต่สมัยนี้เราได้พัฒนาการศึกษาเราอ่านหนังสือออกแล้วเรามีการพัฒนาสื่อต่างๆมีหนังสือทรไม้อ่านมีซีดีให้ฟังมีเทปสมัยก่อนก็ใช้คคดเซตเทปสมัยนี้ก็มาซีดี เดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแฟลชไดรฟ์ทำไดฟ์เพราะว่ามีการพัฒนาทางสื่อในรถยนต์ดี๋ยวนี้รถเขาไม่เล่นซีดีแล้วเขาใช้ f l a ชไดรฟ์กันก็เลยมีการพัฒนาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามยกตามสมัยดังนั้นศรัทธาญาติโยมจึงไม่ต้อง ไปวัดก็ได้เพื่อที่จะไปศึกษาธรรมเพราะเดี๋ยวนี้มีธรรมะมาอยู่ในมือถือแล้วอยากจะฟังธรรมตอนนี้มีมือถือก็เปิดฟังได้มีถ่ายทอดสดมีหลายช่องหลายอาจารย์หลายครูเยอะแยะไปหมดดังนั้นอยู่ที่ว่าเราจะสนใจศึกษาหรือไม่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อฟังในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมะกันเพราะนี่เป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาปัญญาถ้าไม่ฟังธรรมจะไม่รู้ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไร เพราะในโลกนี้สถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้เขาไม่สอนสัมมาทิฏฐิไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิมาสอนต้องมาเรียนที่สำนักพุทธนั้นเองต้องมาเรียนกับพุทธศาสนาเพงจะได้เรียนรู้สัมมาทิฏฐิหรือปัญญานี้เป็นอย่างไร ถ้าไปเรียนทางสถาบันการศึกษาทางโลกนี้ไม่มีใครเข้าสอนความรู้ทางธรรมนี้สำคัญกว่าความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้มีประโยชน์กับร่างกายเราสามารถเอาไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายได้ แต่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ต่อให้เป็นด็อกเตอร์นะปริญญาเอกก็ยังร้องห่มร้องไห้ได้ยังเศร้าโศกเสียใจยังหวาดกลัวยังวิตกกังวลยังวุ่นวายใจอยู่นี่คือความรู้ทางโลกดูแลความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายได้ แต่ไม่สามารถมาดูแลความทุกข์ยากเดือดร้อนทางใจได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมแล้วก็ต้องเป็นความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถควบคุมกำจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างราบคาบได้อย่างหมดสิ้นไปอย่างถาวรดังนั้น สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนก็คือให้ศึกษาธรรมการฟังเทศฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยนี่คือในมงคลละสูตรที่มีความเป็นมงคลอยู่3าข้อด้วยกันพระองค์ทรงสอนสองข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาธรรม กาเลนะธรรมสวนังแปลว่าการฟังธรมมธ ร, ม ร, นนธรมตามโอกาสกาเลนะธรรมสากัดชาการสนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเพราะจะได้ยินได้ฟังเรื่องของสัมมาทิฏฐินั่นเองเรื่องของสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือหนึ่งใตลักอ น, นิจจังทุกขังอนาัตตา สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครถ้าไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับก็จะทุกข์เพราะจะผิดหวังนั่นเองจะไม่ได้ดังใจหมายเช่นอยากให้ร่างกายอยากจะควบคุมร่างกายให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเป็นไปไม่ได้ แต่ชอบให้พระอวยพรเลยขอให้สวยไม่สางบานไม่รู้เลยขอให้พอหดีใจยิ้มกันไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าพระโกหกแต่ก็ยังชอบให้พระโกหกถ้าพระบอกว่าเดี๋ยวโยมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่โยมไม่เอาไม่อยากจะฟังอันนี้คือจิตใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายผู้ที่ยังถูกความหลงครอบงำ ที่ยังไม่เห็นสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เห็นโทษของความหลงที่จะมาหลอกให้เราทุกข์กันหลอกให้เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันพอไปเจอความแก่ก็เศร้าไม่สบายใจพอผมหงอกสักเส้นหนึ่งนี่ใจไม่สบายแล้วพอมีีมีสิวมีฝ้าหนังเริ่มเหี่ยวที่ใบหน้านี่ เริ่มกังวลแล้วนะนี่คือความทุกข์เกิดจากความไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงว่าร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องค่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปในที่สุดนะ อันนี้จะไม่ยอมมองกันไม่ยอมเห็นกันเพราะไม่ไปฟังเทศฟังธรรมถ้าไปฟ so ังเทศฟังธรรมนี่พระจะเทศมาเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดารวงพ้นความตายไปไม่ได้ มีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดพลากจากกันไปไม่ได้แต่ใจของพวกเรามันไม่ยอมไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่พัดพลากจากกันพอเราไปเจอความจริงเข้าเราก็เลยทุกข์กันพอเราลืมความจริงลืมสัมมาทิฏฐิฟังเทศกย์หน ก็ไม่เอามาจดมาจาฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่เข้าไปอยู่ในใจถ้าอยากจะให้มันเข้าไปอยู่ในใจหลังจากฟังเทศฟังธรรมมก็ต้องมาพิจารณาอยู่เนืองๆ่าเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องธรรมดาการพัดพากจากกันเป็นธรรมดานี่คือกดอนิจังกดอนัตตากดทุกขขังถ้า ถ้ารู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปอยากเท่านั้นเองไรอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอรู้ว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากของเราก็พยายามหยุดความอยากแต่ความรู้ที่ได้จากการฟังหรือจากการมาพิจารณาอยู่เนืองเนืองนี่มันไม่มีกาลังพอที่จะหยุด ความอยากได้ต้องไปฝึกสมาธิไปเจริญสมมาภิวนาเพื่อหยุดความคิดหยุดจิตให้ทำจิตให้นิ่งถ้าจิตนิ่งแล้วความคิดก็ต้องนิ่งตามเมื่อความคิดนิ่งตามมันก็จะไปคิดไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ก็จะหยุดความอยากได้เวลาที่จะไปอยากไม่แก่ก็สั่งให้มันหยุดได้ น, นี่ถึงขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาขั้นที่หนึ่งก็เรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างต้องรู้ใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นใจรักหมดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญลาบก็คือข้าวของเงินทองยศก็คือตําแหน่งต่างๆ เไหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเห็นไหเปลี่ยนส้อเปลี่ยนนายกเปลี่ยนนายพลเปลี่ยนนายเปลี่ยนพออเปลี่ยนอะไรมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีมามีไปเงินทองก็เหมือนกันไหลมาไหลไปเวลาไหลมาก็ดีใจเวลาไหลไปก็เสียใจตำแหน่งเวลาไหลมาก็ดีใจ เวลาไหลไปก็เสียใจนางวีนางวันสรรเสริญยกย่องพอไหลามาก็ดีใจพอไหลไปก็เสียใจความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันเวลาไปเที่ยวก็ดีใจพอวันไหนไม่ได้เที่ยวก็เศร้าใจนี่คืออ น, นิจจังไม่มีใครที่จะทำให้มันไหลามาได้อย่างเดียว มันต้องมีวันไหลไปมันจะต้องมีวันจากเราไปงานเลี้ยงจ้อมีวันสิ้นสุดนะมันไม่มีการที่จะเลี้ยงไปกันทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดมันจะต้องมีวันสิ้นสุดกันให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราได้มาเป็นสมบัติของเรา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองหรือเป็นบุคคลก็เช่นเดียวกันบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เป็นอะไรกับเราเช่นเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นจะต้องมีวันพัดภาคจากกันมีตายจากกันไปไม่ช้าก็เร็ว อันนี้ต้องมาศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่ได้สนใจไม่ให้ไปอยากไม่ให้ไปอยากให้มันเที่ยงใจนี้มันชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงชอบให้มันเป็นสุขตลอดชอบให้มันเป็นของเราตลอดคือใจของผู้ที่มีความหลงนี้จะชอบนิจจังสุขขังอัตตา จะไม่ชอบอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของตรงกันข้ามกันนิจจังกาอ น, นิจจังเนี่ยนิจจังก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดถาวรอนิจจังนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดทุกขังแปลว่าทุกเนี่ยสุขแปลว่าสุขเนี่ยอัตตาอนัตตาอัตตาเป็นของเราอนัตตาไม่เป็นของเรา เราต้องเดูว่าความจริงมันเป็นอะไรกันเนะี่มันเป็นนิจังสุขขังอนัตตาหรือว่ามันเป็นอนิจังทุกขังอนอัตตาน่างกายมันเป็นของเราไปตลอดั้ยไม่ตลอดนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของสับเปลอไปพอเราไม่หายใจนี้แม้แต่คนรักเราเขาก็ไม่เอาล้เชื่อไหเขายกให้สับเปลอได้อย่างง่ายดายแถมเงินให้สัปปเปลอด้วย แต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ใครมาแตะไม่ได้ห่วงนี่คือความจริงความรู้สัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษาให้เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาให้จดให้จำไม่ให้หลงให้ลืมพออยากไม่แก่ก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะ พออยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้นะพออยากไม่ตายเป็นไปไม่ได้นะพออยากไม่พัดพากจากกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนะ่มันต้องเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วนะต้องเอาไปคิดอยู่บ่อยๆคิดแล้วถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิใบพัฒนาจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สาม ถ้าเราไม่เลยมณิจังทุกขังอนัตตาแล้วเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวควบคุมบังคับมันได้บางเวลาบางเวลาก็สั่งมันไม่ได้ให้สอนใจอย่างนี้แล้วก็มาหยุดความอยากที่จะไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราไปตลอด อยู่ดีๆตอนนี้หยุดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกสมาธิถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาอุเบกขาคือวางใจเฉยใจจะเฉยได้ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิพอเข้าไปในสมาธิแล้วทีนี้ใจจะเฉยเป็นอุเบกขาได้แล้วก็ต้องฝึกไม่ใช่เฉพาะทํำหนเดียวพอเข้าไปสมาธิเป็นอุเบกขาหนเดียวแล้วคิดว่ามันจะเป็นไปนตลอด มันไม่หรอกพอออกมาเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เหมือนแช่น้ำในตู้เย็นเเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นมันก็เย็นเฉียบเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมมันก็ค่อยๆหายไปความเย็นก็จะค่อยๆหายไปเดี๋ยวก็ร้อนตามอุณหภูมิของห้องพอมันไม่เย็นเราอยากให้มันเย็นเราก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ การฝึกสมาธิเพื่อให้ใจเย็นใจเป็นอุเบกขาใจวางเฉยนี้ต้องเข้าสมาธิบ่อยออกมาทําของที่จําเป็นต้องทําเช่นต้องขับถ่ายต้องกินอาหารต้องทําธุระภารกิจอะไรที่จําเป็นพอทําเสร็จก็กลับเข้าไปใหม่หรือถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสติ เจรินสติที่จะเป็นตัวดึงจิตให้เข้าไปในสมาธิให้ได้นะถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีตัวดึงจิตเข้าไปข้างในจะมีแต่ตัวผลักจิตออกมาตัวที่ผลักจิตให้ออกมาข้างนอกคืออะไรก็คือความอยากต่างๆกามาตนหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากดูหนังอยากดูละครอยากฟังเพลง อยากกินอยากดื่มอะไรต่างๆกินขนมดื่มกาแฟอนี่ยเป็นตัวคอยผักให้จิตออกมาทางตาหูจมออกูกลิ้นกายเราต้องมีสติที่มีกำลังมากกว่าความอยากถึงจะสามารถดันจิตให้เข้าไปข้างในให้จิตวางเฉยได้ให้นิ่งเฉยให้สงบแล้วก็มีความสุขถ้าก็ไปในสมาธิแล้ว จิตสงบนิ่งแล้วจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพอะไรต่างๆทางตาหูจมูกนิ้กนกายก็จะทำให้จิตนี่ลดละความอยากได้มไม่หิวโหวยเหมือนเมื่อก่อนอแต่ถ้าออกจากสมาธิมาไม่นานความอิ่มใจสุขใจนั้นก็จะค่อยจางหายไปแล้วความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องพยายาม เวลาเกิดความหิวโหวยเกิดความอยากก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปทำใจให้สงบใหม่ทำให้มันสงบจนสนบทั้งข้างนอกสงบทั้งข้างในพอออกจากสมาธิมามันสงบพอมันหายสงบก็กลับเข้าไปทำอย่างนี้ต่อไปจิตจะสงบตลอดเวลาจะมีอุเบกขาตลอดเวลาแล้วพอไปเจอ ความแก่ความเจ็บความตายพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความสงบก็จะหยุดมันได้จะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นที่สภาวนาไมยะปัญญาคือสัมมาทิฐิความรู้ประกอบด้วยสมาธิสมถะภาวนา นี่ทำไมถึงเราต้องมาฝึกสมาธิกันถ้าไม่ฝึกสมาธิความรู้ที่ได้จากการฟังธรรมนี้มันมีความมีกำลังน้อยจิตปีกำลังน้อยรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ยังไม่ยอมยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยูนะ่บางทีก็รู้แล้วก็ลืมฟังเทศเสร็จเดี๋ยวออกไปก็รีบเข้าร้านเสริมสวยกัน เริ่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ n กายกันนีอ่อันนี้มันลืมได้นะมันลืมเร็วนะความรูท้ทางธรรมเนี่ยฟังจดหูฉีกก็ตามเนี่ยเดี๋ยวพอออกจากที่นี่ไปไปเรื่องอื่น่ะเดี๋ยวชวนกันไปที่นู่นที่นี่ละเดี๋ยวชวนกันไปศูนย์การค้าเดี๋ยวชวนกันเข้าห้องอาหาร แทนที่จะชวนไปหาที่สงบวิเวกเพื่อไปเจริญสมถาภพวนากันไม่มีหรอกนอกจากคนที่ไม่ลืมเท่านั้นคนที่ไม่ลืมว่าตอนนี้เรายังมีความทุกข์อยู่และความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่เรายังหยุดไม่ได้อยู่แต่เราอยากจะกับกำจัดความทุกข์เราต้องไปฝึกสมาธิ ถ้าเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าคิดแบบนี้พอออกจากที่นี่ไปก็จะไปหาที่สง บ, บไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิกันแต่ถ้าไม่คิดแบบนี้เดี๋ยวก็ไปละตามศูนย์การค้าไปตามสถานที่บัตรเทิงต่าง เลือไปทำธุรกิจทำอะไรต่างๆตามความอยากตามความต้องการนี่คือเรื่องของปัญญาที่มีอยู่3ระดับด้วยกันที่เราพวกเราชาวพุทธต้องมาศึกษาและมาพัฒนาให้มันขึ้นไปสู่ระดับที่สามให้ได้ถ้าได้ปัญญาระดับที่สามความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจนี้จะหายไปหมด จะไม่ทุกข์กับอะไรจะไม่ทุกข์กับใครจะไม่ทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีก็มีไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับยศกับตําแหน่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ทุกข์กับคําสรรเสริญเยินยอใายเยินยอไม่เยินยอก็ไม่รู้สึกเสียใจไม่ทุกข์กับการที่จะไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไร อยู่เฉยๆอยู่กับความว่างก็มีความสุขได้นี่เรื่องของปัญญาสามระดับด้วยกันที่ชาวพุทธเรากวรที่จะมาศึกษา อ, อันนี้จะเหมาะสำหรับพวกที่เขาเห็นโทษของความทุกข์เห็นโทษของความอยาก อ, อยากจะกําจัดความทุกข์อยากจะกําจัดความอยาก แต่พวกที่ยังไม่เห็นโทษนี้ก็ยังจะไม่สนใจที่จะมาพัฒนาปัญญาจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังเพื่อเป็นสิริมงคลคิดว่าฟังแล้วจะเป็นมงคลการจะเป็นมงคลนี้ต้องนำเอาไปพัฒนาแต่จะเพราะว่าขั้นที่หนึ่งยังไม่เป็นมงคล ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ต้องนำเอาไปพัฒนาเป็นขั้นที่สองคือไปทบทวนไปพิจารณาซ้าๆบ่อยๆไม่ให้ลืมคําว่าอนิจจังไม่ให้ลืมคําว่าทุกขังไม่ให้ลืมคําว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วก็จะเสียใจจะทุกข์ใจอันนี้ขั้นต้นต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราต้องรู้อะไรรู้แล้วเราต้องเอาไปพัฒนาต่อเหมือนสมัยที่เรียนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นี่เรียนวิชาคณิตศาสตร์สมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขนะจะคิดเลขนี้ต้องหัดท่องสูตรคูณ ต้องหัดบวกลบเองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะต้องท่องเอาไว้จาเอาไว้สูตรคูณก็ต้องหัดท่องสองคูสองเป็นสี่สองคูสาเป็นหท่องไปเพราะจะต้องใช้เวลาที่จะต้องคิดคำนวณตัวเลขต่างๆถ้าไม่ท่องเวลาอาจารย์บอกให้ทำข้อสอบก็ทำไม่ได้นั้น คืนี่คือสิ่งที่ต้องคนที่เรียนคณิตศาสตร์ต้องเรียนรู้ก็คือต้องรู้สูตรคูณว่าเป็นอย่างไรต้องรู้ว่าเวลาบวกกันเป็นอย่างไรเวลาลบกันเป็นอย่างไรเวลาคูดกันเวลาหารกันเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องไปฝึกไปทำให้จดจําไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอถึงเวลาจะบวกลบคูณหารก็ทำได้ทันที อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ชาวพุทธเราหลงลืมก็คือไม่ให้ลืมตาลักไม่ให้ลืมมณิจังทุกขงังอนัตตาไม่ให้ลืมอริยะสัจสี่อริยาาสัจสี่คืออะไรก็คือความจริงที่ทำให้ใจเราทุกข์และไม่ทุกข์นั่นเองความจริงที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่นล้นเวลาได้มันสุขแต่เวลาไม่ได้นะมันจะทุกข์เห็นวันไหนอยากไปเที่ยวแล้วไปไม่ได้ไม่สบายเพื่อนจัดงานเลี้ยงแต่เราต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อนมีแต่ส่งรูปมาให้ดูเย้ยวเยวกันเราอยู่โรงพยาบาลเจ็บปวดทั่สภานกายไม่มีความสุขหมอไม่ได้ไปเที่ยวกับเหมือนกับเขาเที่ยวกันไปเลี้ยงงานเลี้ยงกัน มันมีสุขมีทุกข์เวลาได้ทำตามความอยากมันก็สุขแต่เวลาใดที่ไม่ได้ทำตามความอยากแล้วมันจะทุกข์แล้วมันจะต้องมีโอกาสที่จะต้องทาไม่ได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเนี่หรือเวลาเป็นอะไรไปพี่กนพี่การไปหรือเวลาไม่มีเงินทองมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ต้องพิจารณาให้รู้ว่า ถ้าเราไม่ไปอยากเที่ยวได้จะดีกว่าเพราะถ้าเราไม่อยากเที่ยวเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อนไม่สบาย น, นอนอยู่บนเตียงก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากไปเที่ยวโอยมันจะหงดหงิดลำคาใจถ้าไม่สบายก็อยากจะให้มันหายเร็วๆเพื่อจะได้ไปเที่ยวยิ่งถ้ามีงานของเพื่อนฝูงเขาจัดอยากจะให้มันหายก่อนที่ถึงงานถึงวันงาน ความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากสามชนิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยความอยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกที่อยากเป็นสอส อ, อยากจะเป็นนายกนี่เวลาเลือกตั้งกันทีนี้วุ่นวายกักว่าจะลงตัวกว่าจะสงบลงได้วุ่นวายกันเพราะทุกคนก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่อยาก คนที่ได้เป็นก็ดีใจไปคนที่ไม่ได้เป็นก็เสียใจไปคนที่ได้เป็นเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็มียุบสภาอกีกมันก็ต้องเจอความทุกข์กันช้าหรือเร็วเท่านั้นเองพวกที่ได้ก็เจอช้าหน่อยพวกที่ไม่ได้ก็เจอเร็วหน่อยแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกัน น, นี่คือความอยากมีอยากเป็น ความอยากชนิดทีส่สามก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนเขาคอละหานินทาตาหนิตีเตียนเราพอไปเจอสิ่งเหล่านี้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเวลาเจอใครเ็าขละหานินทาก็เฉย เวลาเจอความทุกข์ยากลำบากก็เฉยเพราะไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์อริยสัจสีข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์เกิดจากความอยากข้อที่สามการดับทุกข์ความทุกข์ที่เกิดนี้เราสามารถทำให้มันหายได้ถ้าเรามีมรรคมรรคก็คือเครื่องมือในการดับทุกข์ เคองมือที่จะมาดับทุกข์ก็คือปัญญานี่ถ้าเรามีปัญญาระดับที่สามมีภาวนาเมยับปัญญาเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้เราก็หยุดความอยากได้ทําใจให้เฉยๆไม่อยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาใจสงบเป็นสมาธินี่มันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง มันจะเฉยเฉยไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่รักอะไรเห็นทองคำเห็นเพชรก็มาเฉยเฉยเห็นดาราเห็นนายแบบนางแบบก็เฉยเฉยไม่ชังกับใครจะดุใครจะดา่าใครจะโหดร้ายทารุณกับเราก็เฉยไม่ไปทุกข์กับเขาไม่หลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตา น, นี้คือใจที่สามารถที่จะเอามาหยุดความอยากต่างๆได้ต้องใจที่มีอูเบกขาที่เกิดจากอัปปนาสมาธิที่ได้จากอัปปนาสมาธิดังนั้นสิ่งที่ญาตโยมต้องทาอยู่สองส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆ่าทุกอย่างเป็นไตลักษ์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นอริยสัจสีนะทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าต้องการให้ความทุกข์หายไปก็ใช้ปัญญามาหยุดความอยากถ้าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาเราก็ไปสร้างปัญญาโดยการฟังเทศฟังธรรม ฟังแล้วก็เอาไปเอาไปเก็บรักษาให้มันไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ถ้ายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากก็ต้องไปหัดภาวนาไปหัดนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี้ต้องมีสติสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดได้ความคิดเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความอยาก ตอนนี้ญาตโยมไม่ได้คิดถึงอะไรนี่ไม่มีความอยากนั่งเฉยๆได้ถ้าคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟขึ้นมาเดี๋ยวเริ่มรู้สึกหงดหงิดแล้วเอ๊ะทําไมไทเทศยาวแล้วเกินเมื่อไหรจะจบสักทีอยากจะไปดื่มกาแฟอยากจะไปกินขนมนี่มันก็จะทําให้ใจ เ, เริ่มงดหงิดลาคาญขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้คิดถึงก็ขนมคิดถึงกาแฟตอนนี้คิดอยู่กับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ความอยากมันเลยไม่เกิดนะนเราต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้เลือกคิดให้น้อยลงไปเรื่อยๆสิ่งที่จะมาหยุดความคิดหรือทำให้ความคิดน้อยลงได้ก็คือสตินะถ้าสติเราไม่มีกำลังพอรู้ว่ากำลังคิดแล้วบอกให้มันหยุดคิดมันยังไม่ยอมหยุดเราก็ต้องมาเสริมสติวิธีจะเสริมสตินี้เราต้องใช้กรรมาฐาน กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะมาใช้สร้างสติขึ้นมากรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องรู้ทั้งสี่สิบเราขอให้รู้อันเดียวก็พอรู้อันที่เราจะเอามาใช้หยุดความคิดได้อันที่ง่ายที่สุดที่ใช้ได้ทุกกรณีก็คือให้ใช้พุทธโธนี่ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธเราเลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าเราเลกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆความคิดต่างๆก็จะเข้ามาไม่ได้จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดไม่ได้เพราะกำลังคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพอเรามีสติแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปนั่งเฉยๆพอถ้าเรามีสติแต่ไม่นั่งเฉยๆจิตจะไม่นิ่งจิตยังทำงานอยู่เวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวนี้จิตเป็นผู้สั่งให้เคลื่อนไหว ถ้าเราต้องการให้จิตหยุดทํางานทำต้องการให้จิตนิ่งเราต้องไปนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็จเจริญสติหยุดความคิดถ้ามีสติกำลังมากก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วนั่งห้านาที1ิบนาทีจิตก็นิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมาเกิดอุบเบกขาขึ้นมา แล้วก็พอสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบให้อยู่ไปนานๆ mm hmm. ใช้สติคอยประคับประคองใจพอใจเริ่มคิดอยากจะลุกก็อย่าเพิ่งลุกดีกว่าพูดโทต่ออย่าเพิ่งไปลุกให้มันสงบต่อไปสงบไปเรื่อยๆให้นานที่สุดจนกว่าจะต้องออกมาเพราะมีความจำเป็นมีงานต้องทามีอะไรต้องทะ ถ้าไม่มีก็อยู่ไปจนกว่าสติอ่อนกำลังสู้ความอยากลุกไม่ได้ก็ค่อยลุกขึ้นมาเพราะถ้าเรายิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้อุเบกขา ม, มีความกำลังมากขึ้นไปเวลาออกมามันจะได้อยู่นานขึ้นมันจะได้มีกำลังคอยสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าเข้าไปสมาธิปุ๊บแล้วก็ออกมาเลยนี่เหมือนแช่น้ำเนะี่ย แช่น้ำในตู้เย็นคอเข้าไปเปิดเปิดประตูตู้เอาน้าใสปิดประตูปั๊บก็เปิดมันเอาออกมามันยังไม่ทันเย็นน่ะสมาธิก็เหมือนกันถ้าเป็นสมาธิแบบแลบลิ้นงูแลบลิ้นนี่ยังใช้ไม่ได้แต่ทุกคนเวลาฝึกสมาธินี้จะต้องผ่านสมาธิแบบงูแลบลิ้นก่อนครั้งแรกนยเพราะสติมีกำลังน้อยถ้าได้งูแลบลิ้นก็ถือว่าเก่งแล้วพอนั่งสมาธิจิตสงบ ช่ววุบหนึ่งช่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมะพอเราได้นี้เรารู้เรารู้แล้วว่าอ๋อวิธีที่จะเข้าสมาธิเข้าอย่างไรขั้นต่อไปก็ต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นไปเดินจงกรมที่หลาหล า, หลายชั่วโมงคอยพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วครั้งต่อไปเวลานั่งจิตมันจะสงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ ให้มันสงบนานๆเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมันก็ยังจะสงบต่อไปได้นานพอมันหมดความสงบก็กลับเข้าไปใหม่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะสงบทั้งเวลาที่อยู่ในสมาธิทั้งเวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาใดเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถที่จะหยุดมันได้อันนี้คือขั้นต่อไป ถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายักเรารู้โดยรู้แบบจำได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ใช่รู้แบบตอนนี้แต่พอเห็นเงินปับ๊บลืมว่ามันเป็นตายรักทันทีอันนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักก็ไม่เอาดีกว่าถ้าไม่จำเป็นจะต้องมีมันไม่เอาดีกว่าถ้าเอาก็เอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นพอเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ แต่จะมาให้ร่ําให้รวยนี่ไม่เอาละความร่ํารวยนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าต้องคอยมาดูแลรักษาสมบัติและเวลาจากกันก็ทุกข์เศรษฐีนี่ทุกข์มากกว่าขอทานเวลาตายเนี่ยขอทานมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะมันไม่มีอะไรจะจากแต่เศรษฐีนี่มีเงินมีทองมีอะไรเยอะแยะไปหมดพอเวลาจะจากกันนี้เวลาตายนี่โอ้ทุกข์มาก ถ้าคนมีปัญญาจะรู้ว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นทุกข์ไม่มีดีกว่าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นพระราชโอรสเห็นไหมมีประสาทสามฤดูมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเยอะแยะท่านกลับไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เอาดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าสมบัติของพระพุทธเจ้ามีกี่ชิ้นรูม้มมีแปดชิ้นนั่นเอง ที่เรียกว่าอัฐบริขารมีบาตหนึ่งใบมีผ้าสามผืนเป็นสี่มีที่รัดเอวเป็นห้ามีเข็มกัดได้เป็นหมีใบมีดโกนไว้ปงผมเป็นเจดแล้วก็มีที่กองน้ำสมัยก่อนต้องตักน้ำตามลำห้วยลำทานมันมีตัวสัตว์ต้องมีที่กองเวลาตักขึ้นมาจะได้ไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วย นี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญานี่รู้ว่ามีอะไรจะต้องทุกข์กับมันทั้งนั้นมีลาบก็ต้องทุกข์กับลาบมียศก็ต้องทุกข์กับยศมีสันลเสริญก็ต้องทุกข์กับสันลเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะของพวกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมันให้ความทุกขุด้วยเวลามันเปลี่ยนไปเวลาได้ลาบมาก็ดีใจ เวลาเสียลาไปก็เสียใจเวลาได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีใจพอถูกปลดนี่ก็เสียใจเวลาได้คำสรรเสริญก็ดีใจพอเวลาได้ความนินทาตำหนิตีเตียงก็เสียใจเวลาได้ไปเที่ยวก็ดีใจเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็เสียใจใช่ไหม อย่าไปยุ่งกับของพวกนี้ดีกว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่าไปอยากได้มันเมื่อไม่อยากได้มันก็จะไม่มีมันเมื่อไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีสมาธิมีอุเบกขาอยู่เฉยๆได้นคนที่ฉลาดคนที่มีภาวนาเมตยปัญญานี้จะไม่มีสมบัติอะไรมากพระพุทธเจ้ามีเพียงเท่าที่จำเป็นจริงๆมีบาดไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีผ้าไตาไว้สำหรับพุ่มห่อร่างกายมีมีใบมีดกรไว้ปรงผมมีเข็มกะดได้ไว้ซ่อมจีวนเวลามันขาดมีที่กองน้ำที่ตักน้ำมีเท่านี้พอแล้วส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ทำเป็นเพิงทำอะไรพอหลบแดดหลบฝนได้หรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่ตามถาม้ำตามเงื่อมผาตามเรือนล้าง ที่เหล่านี้เป็นที่สงบที่สบายต่อจิตใจไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครชอบไปที่เหล่านั้นถ้าต้องการหาความสงบสุขไปอยู่ที่เหล่านั้นแล้วสบายใจมีความสุขใจนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของผู้ที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทุกโูกท่านอยู่กันแบบนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีค้รหัสใหญ่โต ไม่มีเครื่องประดับในกุฏิในมีเฟอร์นิจังเฟอร์นิเจอร์ปูภาคปูผอมมีม่มงมีมา่านอะไรต่างๆเหมือนพระสมัยนี้แสดงว่าพวกนี้ไม่มีภาวนามยะปัญญาเลยมีแต่สูตรมยะปัญญาพวกนี้เรียนเยอะเรียนจบป ร, ริญญนเก้าหนุนะเรียนจบพระไตรปิฎก แต่ไม่เอาไปภาวนาไม่เคยไปฝึกสมาธิไม่ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบมีแต่สุตตะมยยปัญญามีความรู้ที่ได้เรียนรู้แต่ความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้สู้กิเลสไม่ได้สู้ความอยากในลาบยศสารเสริญไม่ได้ถึงแม้จะมาเป็นพระก็ตามฮะแต่พอใครให้ลาบยศสารเสริญ น, นี่ก็คว้าปุ๊บเลยใครแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ก็รับกันทันทีฮะ ให้เป็นเจ้านู่นเจ้านี่ให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วก็กลายเป็นประเพณีนิยมว่าเป็นพระต้องเป็นอย่างนี้ใครมาบวชแล้วไม่ได้เป็นเจ้านี่ถือว่าไม่เก่งไม่ใช่เป็นพระแท้พระแท้ต้องเป็นเจ้าต้องเป็นสมเด็จต้องเป็นสังฆราชพวกที่เป็นหลวงปู่หลวงตานีไม่ใช่เป็นพระแท้ แต่ความจริงวิธีจะดูพระแท้ให้ดูที่ไหนรู้ปล่าถ้าตอนตายเขาไปดูที่กระดูกท่านเน่ยดูว่ากระดูกใครกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเออมนั่นแหละคือพระแท้พระอารหันต์พระอารหันต์นี่เวลาท่านตายไปกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาดรื่ถ้าเวลาท่านอยู่ก็ดูการอยู่ของท่านปัจจัยสี่ของท่านเป็นอย่างไร อันนั้นแะถึงจะสามารถดูได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นพระแท้หรือไม่เป็นพระแท้ถ้าอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมไม่บ้าลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันก่อนเปิดดูหวงตาผู้รัสมยนี้พระกำลังบ้ายศกันะบ้ายศบ้าตำแหน่งกันอันนี้แสดงว่าปัญญาหายมีแค่ปัญป ญ, ญาลืมหมดเรียนมา ลืมหมดไม่เอามาเจริญต่อให้เป็นจินตามัยปัญญาไม่เอามาเจริญต่อให้เป็นภาวนามยปัญญาเรียนจบพอสอบผ่านแล้วก็เลิกไม่ไปสนใจแล้วทีนี้ก็ให้กิเลสลากจูงไปแล้วกิเลสมันก็จะลากจูงให้ไปหาลาบยศสรรเสริญเพราะถ้าได้เรียนจบสูงๆได้ประเรียนก้าวนี้เขามีตาแหน่งรออยู่แล้วมียศรออยู่แล้วก็เลยหันไปทางนั้นแทน หันไปหาลาบยศแทนที่จะไปหันไปเจริญจากจากสุตรมยปัญญาให้เป็นจินตามยปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาก็ไม่ไปละเรียนมาเท่าไรเดี๋ยวก็ลืมหมดทีนี้จะมารู้แต่เรื่องเรื่องของลาบยศพอมีตำแหน่งก็ต้องมายุ่งกับเรื่องตำแหน่งบริหารจัดการเป็นเจ้านู่นเจ้านี่ก็ต้องคอยทำ หน้าที่ของเจ้าไปเลยลืมเลยลืมหน้าที่ของพระไปลืมว่าเป็นพระนี่มาบวชเพื่ออะไรคาว่าพระภิกษุนี่แปลว่าอะไรภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ดีเพราะตายแล้วเกิดแล้วมันต้องตายกันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน แล้วเหตุที่จะมาทำให้เกิดแก่เจ็บตายนี่คืออะไรก็คือความอยากนี่ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนือกายลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปหมดนะ หรือว่าตอนเองมาเป็นภิกษุหรือเป็นอะไรกลายมาคิดว่าตอนเองมาเป็นผู้บริหารจัดการเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นผู้จัดการวัดนี่ก็เป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งก็ต้องมีซ e อมีผู้จัดการมีตำแหน่งคอยบริหารเลยมามัวแต่บริหารเรื่องเรื่องของวัดวาลามถาบวรวัตถุ คอยมาสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิคอยมาบูญะซ่อมแซมคอยเลี่ยลายหาเงินหาทองเลยไม่มีไปทำหน้าที่ของตนไม่ได้ไปเจริญปัญญาจากขั้นที่หนึ่งให้เป็นสู่ขั้นที่สองไม่ไปเจริญปัญญาจากขั้นที่สองให้เป็นขั้นที่สามก็เลยไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์มีสมบัติมีตำแหน่งอะไรเวลานอนหลับนี่นอน เอามือกายหน้าผากกังวลกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้กังวลจากข้างบนข้างบนก็มีคำสั่งลงมาข้างล่างก็ต้องคอยควบคุมคอยเฝ้าดูแลเนหน็ดเหนื่อยไม่ได้อะไร น, น, นี่คือลืมลืมคำหมายของคำว่าพระ ภ, ภิกษุแปลว่าอะไรพระภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารผู้เห็นว่า การเจริญการส่งเสริมความอยากทั้งสามกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเนี้เป็นการส่งเสริมภพชาติให้มีการเกิดแก่เจ็บตายให้มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ต้องการจะมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปเจริญมรรคมรรคก็คือปัญญาเพราะเมื่อมีมรรคมีปัญญาระดับที่สาม คือภาวนามมยะปัญญาก็จะสามารถมาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นคาราวะาหรือเป็นพระไม่สำคัญเพราะจิตใจเหมือนกันจิตใจของคารวะก็มีกิเลสจิตใจของพระก็มีกิเลสยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน หน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้ก็คือมาปลดเปื้องเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราเป็นเหมือนพวกที่ติดคุกติดตารางกันคุกตารางที่เราอยู่นี่มันมีกําแพงอยู่สด้านด้านหนึ่งมันเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่เียด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายเนี่ยพวกเราเราติดอยู่ในคุกนี้มาเป็นเวลายาวนานเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายไม่เคยออกจาก กำแพงสีกำแพงนี้ได้เลยจะออกได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ทางออกท่านนี้มาสอนว่าถ้าอยากจะออกจากคุกตรางแห่งการเกิดแก่เจ็บตานี้ต้องไปสร้างปัญญากันเบื้องต้นก็นไปฟังเทศบังธรรมไปศึกษาจากผู้รู้จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอรหันตสาวกหรือจาก พระถมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนสามแหล่งนี้เป็นแหล่งที่จะได้ความรู้คือสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งคือได้สุตตะมัยยปัญญาพอได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเอกไปท่องจำไว้เอาไปจดเอาไปจำไม่ให้หลงไม่ให้ลืมหรือเอาไปขยายความหมายให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าอะไรเป็นอนิจจังบ้างมีอะไรไม่เป็นอนิจจังไหมต้องพิจารณาแบบ ให้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องวิเคราะห์วิจัยธรรมวิจโยเนี่ยการวิจัยสิ่งต่างๆจนเห็นชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มียกเว้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าไปอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์อยาไปอยากได้มันนี่คือขั้นที่สองเรียนให้เข้าใจพอเข้าใจจําจุดจาได้แล้วก็ไปขั้นที่สามไปภาวนาไปฝึกจิตไ่ทาใจให้สงบ เหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่งท่านเรียนจบพระไตปิโดกแต่เวลาเจอพระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญว่าเก่งเนะเธอจบพระไตปิโดกพระพุทธเจ้ากลับไปว่าเธอนนี้เป็นเหมือนใบลานเปล่า เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นเขาไปภาวนานั่นเองยังไม่ไปฝึกจิตไม่ไปหัดทมสมาธิทุกครั้งที่เจอก็เรียกว่าใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าจนวันหนึ่งได้ได้สติขึ้นมาให้พระพุทธเจ้านี้กำลังบอกอะไรให้เรารู้นี่วะก็เลยมาคิดอ๋อเรายังมีความรู้ที่ไม่สามารถเอาใบกำจัดความทุกข์ได้ต้องไปเจริญสมาธิท่านก็เลยไปหาพระอาหารหันต์ ไปหาพระที่ไปหาสำนักที่มีพาาาระอรหันต์แล้วก็ไปขอเรียนรู้จากท่านในสำนักนั้นก็มีพาาาระอรหันทุกรูปจนถึงสัมมนเนนก็เป็นพาาาระอรหันต์พาาาระอรหันต์พระหัวหน้าก็ปฏิเสธเพราะว่าท่านเป็นพระที่แก่กว่าผมมี ความรู้มากกับผมผมไม่กล้าสอนท่านก็เลยเลื่อนไปขอองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็ตอบเหมือนกันจนไปถึงสมณะก็เชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอสมัครเรียนจากสมณะตอนต้นสมณะก็ทาท่าจะไม่อยากจะรับพระหัวหน้าก็บอกเน้นเธอไม่สงเคราะห์ท่านหน่อยเลยฮะสมณะก็เลยรับไปก็แต่ก่อนที่จะสอนนี่ต้องดูว่าพร้อมที่จะเรียนหรือเปล่า ก็เลยดูว่าพร้อมที่จะฟังคำสั่งหรือเปล่าเลยสั่งให้ไปล้างกระโถนล้างช่วมไปล้างไปกวาดถูกุฏิไปทำอะไรต่างๆจนรู้ว่าท่านเชื่อฟังแล้วถึงสอนสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีทำใจให้สงบสอนให้เกิดสอนวิธีใช้ปัญญาพอสอนเสร็จท่านก็บรรลุได้ไม่ได้เป็นใบลานเปล่าอีกต่อไปไม่ได้เป็นความรู้เปล่าๆที่ไม่มีประโยชน์ ต้องเป็นความรู้ที่เอามากําจัดกิเลสตัณหามายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของปัญญาในพระพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนสามารถเจริญได้อยู่ที่ว่าเรามีฉันทะมีความยินดีที่จะเจริญมันหรือไม่ถ้าเราไม่มีความยินดีเราก็จะไม่สนใจถ้าเรามีความยินดีเราก็สามารถพัฒนาปัญญาทั้งสามนี้ให้เป็นขั้นที่สามได้ และสามารถบรรลุมันสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศคาราวาหรือเป็นเพศนักบวชก็ตามเพราะเพศนี้มันไม่เกี่ยวกับการบรรลุเกี่ยวกับการสิ้นสุดของความทุกข์สิ่งที่เกี่ยวก็คือปัญญาขั้นที่สามนี่องถ้าใครมีปัญญาขั้นที่สามก็สามารถบรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอา ความรู้ทั้งสามระดับนี้ไปพิจารณาและเอาไปพัฒนาให้มีผลมีประโยชน์ต่อไปการจสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 จันโทปนาราโสยธาเมณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขิทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลามวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ทางเฟสบุ๊กเข้ามา 182 YouTube 340รวิทยุออนไลน์32รับฟังข้างบนนี้88คนรวมทั้งหมด642ครับวันนี้ c e b o o k มีปัญหาเลยครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับเออเอ็นเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยครับเราเปลี่ยนกลับไปแล้วครับกลับไปกลับมาครับแต่ YouTube ไม่มีปัญหาไม่มีครับความจริงดู YouTube มันชัดกว่า f a c e b o o เยอะนะ เฟซบุ๊กนี่ดูต้อมันมัวมัวแต่ t u b e นี่มันชัดแต่แล้วแต่สะดวกอันไหนก็ดูอันนั้นได้ทั้งสองมันถ้าไม่มีถ้าเสียสองมันก็มีวิทยุออนไลน์ฟังเสียงได้ก็ไปในในเว็บเพจในหน้าพระสุชาติ .com ก็จะมีที่เปิดวิทยุฟังได้ฟังแต่เสียงไม่มีภาพ การยิงฟังธรรมไม่ต้องดูภาพหรอกภาพมันก็คนเดียวคนเก่านะั่น <c oughs> <c oughs> เวลาฟังธรรมก็มักจะปิดตากันสบายกว่าฟังแล้วจะได้ลดมากกว่ารสชาติของธรรมเพราะไม่มีอะไรมาคอยดึงใจไปถ้าเปิดตาเดี๋ยวเห็นคนนั้นเดินมา <c oughs> เดินไปไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมแล้วถ้าปิดตาฟังธรรมนี่มันจะ ใครเดินไปเดินมาก็ไม่รับรู้ก็จะได้ยินเสียงธรรมตลอดเวลายางเวลาฟังธรรมนี้นั่งหลับตากันดีกว่าไม่ต้องผนมมือก็ได้การนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยไม่ทำอะไรนี่เอวาเป็นการการแสดงความเคารพในการฟังธรรมแล้วไม่ต้องผนมมือผนมมือนานๆมันก็เมื่อยเพราะเทนบางทีมันยาวนะ ไม่ดองพนมมือให้นั่งหลับตาแล้วก็ตั้งใจฟังเพราะต้องการประโยชน์จากการฟังธรรมอะไรที่มาทำให้การฟังธรรมมันลดหย่อนประโยชน์น้อยก็ไม่ไม่ควรจะทำะช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะรู้เรื่องอื่นก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ต้องใช้ไมโครโฟนพูดใกล้ๆปาก เ, เสียงมันจะได้ดังคนอื่นจะได้ได้ยินเสียงเราค่ออนะนรมาสการ์พระอาจารย์นะคะคือหนูมีคำถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของความอยากอะคะ่ะกับนิวรนี่เป็นคำเดียวกันไหมคะ แล้วก็พระอาจารย์จะมีวิธีการได้ยินควาว่าล้างนิวรนะคะวิธีการง่ายๆที่พระอาจารย์จะสอนการล้างนิวร์นะคะทำได้ยังไงบ้างเจ้าคะคือนิวรณ์นี่มันมีห้าตัวตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำใจให้สงบนี้เรียกว่านิวรมีอยู่ห้าตัวหนึ่งในนั้นก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนะเรียกว่ากามะฉันทะ เวลาจะนั่งสมาธิทีลอรรู้สึกคิ้วกาแฟขึ้นมาอยากจะดูละครขึ้นมาออพอพอเกิดความอยากก็นั่งไม่ไหวแล้วต้องไปทำตามความอยากออวิธีที่จะล้างนิวรณตัวนี้ก็คือให้ถือศีลแปดให้ไปอยู่ที่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อยู่ที่ไม่มีกาแฟให้ดืม่มอยู่ที่ไม่มีขนมให้กินอยู่ที่ไม่มีทีวีให้ดูถ้าไม่นี้ทีวีมันอยู่ในมือถือก็ต้องปิดมือถือหรือไม่เอามือถือติดไปด้วยพอเอาไปแล้วเดี๋ยวมันห้ามห้ามใจไม่ไหวเดี๋ยวก็อยากจะตอนต้นก็อ้างว่าเดี๋ยวต้องดูว่าใครโทรเข้ามาบ้างมีธุระอะไรจเป็นหรือเปล่า พอเช็คแล้วไม่มีก็เปิดดูภาพต่อไปเลยเปิดเข้าไปในลายกัน เ, เข้าไปฮะยนถ้าต้องการล้างนิวรณตอนตนี้ต้องอย่าเอามือถือไปเวลาไปฝึกนั่งสมาธินี่ฝากมือถือไว้กับใครก็ได้นี่คือต้องอยู่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลาจากแสงสีเสียงแล้วก็ต้องตั้งตั้งตั้งความตั้งใจด้วยการรักษาศีลแปด สินแปดจะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้เรากินอาหารมากเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่ให้กินตามความอยากไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้นอนมากเกินไปการนอนมากเกินไปก็เป็นการมัชันทะอย่างหนึ่งนอนบนเตียงสบายพูกนนหนาๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามาันทะอีกแบบหนึ่ง ความสุขสบายทางกายเนี่ยเรียกว่ากามชันทะต้องล้างมันอย่าไปทำมันถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลไม่ใช่ถือศีลแปดอยู่กับบ้านเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดทีวีดูคนนั้นก็เปิดเพลงฟังคนนั้นก็กินอาหารเย็นเดี๋ยวก็น้ำลายไหลเดี๋ยวก็ตาบะแตกศีลขาดนะยิ่งถ้าเขามายั่วมายยนมาชวนด้วยยิ่งไปใหญ่บางทีเขาก็ห่วงเรากลั ว, รวเราจะอดตาย ที่ไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอ๋อพอพูดอย่างนี้ปั๊บใจฝ่อแล้วสิกิเลสมัน อ, อยากจะไปอยู่แล้วมันก็เลยมีเหตุใครมาชี้โพร่งให้กระลอกไยมันก็พูดไปเลยเห็นต้องไปอยู่ไกลๆจากสิ่งเหล่านี้ไปอยู่วัดป่าวัดเขานี่เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้มายั่วยวนกวนใจมีใครอยากจะถามอีกไหม ถ้ายังไม่มีเอาคำถามทางบ้านก่อนคำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณหลินครับถ้าสวดมนต์บททำวัดเช้าแล้วแผ่เมตตาจะถึงคุณแม่ของหนูหรือไม่เจ้าคะไม่ถึงหรอกการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวด การสวนนี้เป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเช่นอเวลาโหนตุมันบอกว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันเอาบญาโหตุอย่าเบียดเบียนกันอา น, นิกาโหนตุอย่าทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันสุขเียตานังปาริหารันตุให้ทําให้คนอื่นเขามีความสุขอันนี้เป็นการสวดสอนใจวิธีที่จะแผ่ ถ้าอยากให้คนตายได้รับความสุขจากเราก็ทำบุญอุทิศไปต้องไปใส่บาตตอนเช้าแล้วก็กวดนา้าอุทิศบุญไปแม่ที่ไม่มีอาหารแม่ที่ไม่มีบุญก็จะได้รับบุญจากเราอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทำถ้าคนเป็นก็เอาของไปให้เขาไปเที่ยวที่ไหนกลับมาซื้อของมีข้าวของมาฝากกันก็เอาไปให้เขา เขาเขาได้รับของเขาก็ดีใจเขาก็เกิดความสุขใจหรือถ้าอยู่ด้วยกันบางทีอาจจะทำอะไรผิดพลาดเกิดทำให้โกรธกันขึ้นมาก็ให้อภัยกันอย่าไปถือโทษโกอดเคืองถือว่าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันต้องอยู่ด้วยกันแต่บางครั้งบางคราวมันก็อาจจะพลาดไปขบกันบ้างดีกว่าฆ่ากันดีกว่าตัดลิ้นทิ้งไปตัดลิ้นก็สู้มีลิ้นอยู่ดีกว่า อย่าไปโกรธกันเพราะถ้าไม่โกรธกันเรายังอาศัยเขาได้ใช่ไหมเกิดเราจะให้เขาช่วยทํานู่นทํานี่เขาก็ยังทําให้เราได้ถ้าโกรธกันแล้วไม่ทําไม่ได้แล้วอย่ามีศัตรูให้มีมิตรดีกว่าให้รักษาความเป็นมิตรไว้ด้วยการแผ่เมตตาคือไม่ถือโทษโกรธเคืองกันอย่างนี่วิธีการแผ่เมตตาต้องทําไม่ใช่ต้องไม่ใช่สวดการสวดไม่ได้ทำํำยังไม่เป็นการแผ่เมตตา ต้องมีการให้และต้องมีผู้รับเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นเป็นการแผ่เมตตาต้องมีของให้เขาอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องมีผู้รับรับของนั้นไปถึงจะเรียกว่าได้แผ่เมตตาอืมการแผ่เมตตาอ่าพระอาจารย์คะการแผ่เมตตาโดยความคิดได้ไหมคะอย่างเช่นว่าเราคิด แล้วก็แผ่เมตตาออกไปเป็นละลอกละลอกไม่ได้หรอกไม่มีใครรับมีใครไปรับละลอกละลอกของเราละลอกคลืนน่นนีนใ่ใครใครจะไปรับล่ะมันไม่เหมือนกับ d ีแท็กนี่มันเปิดเครื่องรับได้<อ>นี่ไม่มีใครเข้ารู้ว่าเราแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ ด, ด้วยการกระทำโกรธใครเกลียดใครก็ ไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรไม่ถือโทษกําลังจะฟ้องร้องคุณฟ้องศาลอยู่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ไม่เอาเรื่องคุณอย่างเงี้ยถึงจะแผดพิมพ์ตาเอ อ, เ อ, อนูหมายถึงถึงเจ้ากรรมนายเวนะเจ้าค่ะนั่นแหละก็ต้องไปหาเจ้ากรรมนายเวนที่ต้องไปต่อหน้าเขาใครเป็นเจ้ากรรมนายเวเราก็ไปพูดกับเขาว่าต่อไปนี้เราไม่มีปัญหาต่อกันแล้วแล้วก็เออต้อง ต้องกรวดน้ำใช่ไหมคะไม่ต้องกวดไม่เกี่ยวกับน้ำน้ำไม่เกี่ยวเอองั้นใช้ความคิดในการแผ่ออกไปได้ใช่ได้ต้องไปเจอเขาต้องไปเจอตัวเขาต้องไปบอกเขาองั้นเขาจะไปรู้ว่าเราแผ่เมตตาไปตีหัวเขาแล้วก็ไปนั่งอยู่ในบ้านบอกว่าแผ่เมตตาให้คุณแล้วเนี่ยเขาจะหายโกรธเนาะเปล่าใช่ไหมเขาต้องรับรู้ถือว่าเราแผ่เมตตาแล้วก็จะรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่ง เราไปทำเขาเสียหายแล้วเราไปบอกเสียใจบางทีเสียใจมันไม่พอต้องชดใช้ค่าเสียหาย mm hmm. ถึงเงี้ยพอเราไปทำเขาแล้วเขาเจ็บเราก็ต้องชดใช้ความเสียหายให้เขาพอใจเขาถึงจะไม่มาจองเวรจองกรรมเราอย่างท่านถึงมาบวชแล้วก็บอกว่าขาไม่ตายไม่ได้ไม่ได้บวชมันเรื่องของเราเราทำให้ตัวเราไม่ได้ทำให้เขา mm hmm. เราเอาเงินไปให้เขาเสร็จ ไปชดใช้ค่าเสียหายเจ้ากรรมนายเวรยังไงกันก็คนที่มีเรื่องกับเราไงเขาคือเจ้ากรรมนายเวรอืม่อดีตชาติอ๋อไม่เกี่ยวเอาแต่เฉพาะชาตินี้พวกอดีตชาตินี้ยังไม่เจอกันมันเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเอาแต่คนที่เจอกันในชาตินี้เขากรรมวิชากรรมนายเวรก็คนที่มีปัญหากับเราในชาตินี้ไม่ใช่อดีตชาติมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนจะมีปัญหาต่อกันได้ยังไง เอาแต่คนที่มีปัญหากับเราในตอนนี้คนที่มีเรื่องกับเราเนี่ยเจ้า ก, กรรมนายเวรเชิญอาจารย์ครับได้ยินอาจารย์พูดเรื่องอัปปนาสมาธิสองครั้งขอให้อาจารย์สอนเรื่องอัปปนาสมาธิให้ละเอียดหน่อยว่าวิาวธีจะเข้าถึงต้องทบไงบ้างครับ ก็ฝึกสติไงให้มีพุทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาก็พุทโธต่อไปนันเองไม่ให้ไปคิดอะไรถ้ามีพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ปันาสมาธิได้ครับ แล้วเวลาจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะเราจะทราบได้ยังไงครับอ๋อเหมือนกับกินข้าวเวลาอิ่มเราจะทราบไหมว่าอิ่มเป็นยังไงเวลายังไม่กินต่อให้พูดยังไงมันก็ไม่รู้ว่าอิ่มเป็นยังไงครให้ไปกินกินแล้วเดี๋ยวอิ่มมันรู้เองพอมันเข้า อ, อัปปนาสมาธิมันรู้เองคือจิตมันจะรู้เองว่าเราเข้าถึงสมาธิขั้นนี้ครับใช่า อัปปน า, าสมาธิดีมาต่อจากอุ ป, อปจาระสมาธิใช่ไหมครับมาก่อนอุปจาละอุปจาละมาหลังอัอปปนาสมาธิด้ครับ อ, อุปัปจาละนี้คนส่วนน้อยจะไปถึงคนส่วนใหญ่จะไปแค่อัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิคือพอเข้าสู่ความสงบแล้ว ออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เรียกวเป็นอุปจารสมาธิไปพบกับวิญญาณต่างๆไปพบเทวดาพบอะไรพบพระพุทธเจ้าพบใครทั้งหลายที่อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยต้องอยู่ในอุปจารสมาธิจะแสดงธรรมให้กับเทวดาพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าอุปจารสมาธิไปแต่ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนถ้ายังไม่ผ่านไปเห็นนู่นเห็นนี่มันเป็น เป็นการคิดปรุงแต่งของจิตไม่ใช่เป็นของจริงถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่เข้าปนาสมาธิเราไปเห็นนูน่นเห็นนี่นั่นแสดงว่าจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองครับถ้าเป็นของจริงมันต้องผ่านปนาสมาธิก่อนครับคำถามจากทางอินบ็์คุณกุ้งโยมใช้อานาปานสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าออก ที่ปลายจมูกและรับรู้ถึงลมสัมผัสที่ตกกระทบที่ปลายจมูกและบริเวณเหนือริมฝีปากบนเจ้าค่ะการจะให้จิตตั้งมั่นมีสัมมาสติสัมมาสมาธิดีๆควรเฝ้าสังเกตดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหรือให้รับรู้ว่ามีลมสัมผัสที่ปลายจมูกเข้าและออกที่ใจตรงกลางอ ก, อกเจ้าค่ะ ดูที่เดียวถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูที่ปลายจมูกไม่ต้องไปดูที่กลางอกถ้าจะดูที่กลางอกก็ไม่ต้องไปดูที่ปลายจมูกมีที่ให้ดูได้สองที่ถ้าดูลมพวกยุบหนอพองหนอนนี่ก็ดูที่กลางอกเวลาลมเข้าอกมันจะมันจะพองขึ้นมาเวลาลมออกอกมันก็จะยุบเข้าไปเขาก็เขาก็พูดว่ายุบหนอพองหนอไปแต่ก็เป็นการดูลมเหมือนกัน อีกพวกหนึ่งเขาไม่ดูที่กลาง อ, อกเขาดูที่ปลายจมูกเขาก็ดูตรงเวลาลมสัมผัสกับปลายจมูกรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีลมสัมผัสลมเข้าหรือว่ามีลมออกตรงนั้นก็ให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาคําถามต่อไปจากคุณติก๊กวันนี้โยมมีอาการจิตฟุ้งซ่านคิดวกวน เลยได้ลองตามดูลมหายใจจนความคิดเหล่านั้นสงบลงชั่วครู่แต่จิตก็ยังไม่นิ่งเท่าใดนักโยมควรทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ทําต่อไปสิถ้าหยุดเหมือนกินข้าวนะกินข้าวแล้วยังไม่อิ่มก็ต้องกินต่อไปถ้าจิตยังไม่สงบเต็มที่ก็ดูลมต่อไปอย่าไปหยุดคําถามต่อไปจากคุณนรุมนสมาธิ ล้ําเพราะติดสงบจะเป็นผลดีหรือไม่เจ้าคะหรือต้องกลับมาทําความรู้สึกตัวคือตัวสติจะในรูปแบบยืนเดินนอนนั่งเพื่อให้สมดุลขยับตัวบ่อยๆด้วยการดูกายใช่หรือไม่เจ้าคะไม่ใช่หรอกการเจริญสตินี้เจริญในเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็จเจริญแต่ก่อนที่จะไปนั่งสมาธิได้ต้องมีสติไปก่อนฉั้นก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิเราต้องฝึกสติเดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ก็อยู่กับการทางานของร่างกายอาบน้าก็อาบน้าไปกับร่างกาย แปลงฟันหวีผมก็อยู่กับมันไปอย่าไปที่อื่นอย่างนี้เป็นการฝึกสติพอมีสติแล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิจะพุโทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ก็ทำอย่างนั้นอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิต่อไปคำถามต่อไปจากคุณบุญเสริม สติปัฏฐานสี่มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรครับั้รแรกให้เจริญสติไงให้มีสติอยู่ที่ร่างกายให้ดูร่างกายในอิริยาบถสเดินกร็รู้กำลังเดินยืนก็รู้กำลังยืนให้เดินไปกับร่างกายอย่าไปเดินไปคิดไปไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดินอย่างเดียววิธีจะทาให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดินอย่างเดียวก็วให้มันไปเดินที่มันน่ากลนะัว ไปเดินในป่าเนี่ยไปเดินที่ไหนมันมีอันตรายมันจะไม่ไปคิดเหมือนกับตอนเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้านะถ้าเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้ามันเดินไปก็คิดไปโ อ, ไอ้นั่นสวยแอนี่สวยไม่ได้อยู่กับการเดินอยู่กับของที่ดูแต่ถ้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเดินไปในป่านี่มันจะดูทุกอย่างเท้ากำลังจะไปเหยียบงูเปล่าจะไปเหยียบสัตว์เลือ้อยคานอะไรหรือเปล่า น, นี่คือการฝึกสติต้องมีอะไรมาบังคับให้จิตมันมีความระมัดระวังถ้าไม่มีอะไรมาบังคับมันจะไม่ค่อยมีสติใจมันจะลอยอันนี้คือฝึกสติขั้นแรกพอได้สติแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิฝึกอัปปนาสมาธิไปจนจิตสงบตลอดเวลาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งขณะที่ออกมา หลังจากนั้นก็ไปเจริญปัญญาด้วยการพิจารนกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นว่าเป็นตายรัก์แล้วก็ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดกายเวทนาจิตธรรมจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อไปคำถามต่อไปจากคุณปัญญีเริ่มแรกการปฏิบัติของลูกเกิดจากความฝันฝันว่าครูบาอาจารย์บอกนั่งสมาธิ ลูกก็ทำตามและจะฝันเห็นครูบาอาจารย์บ่อยมากลูกก็ทำตามอย่างนี้เรียกว่าเป็นการงมงายไหมเจ้าคะถ้าทำของดีของมีเหตุมีผลมันก็ไม่งมงายถ้าไปทำของที่ไม่ดีไม่มีเหตุมีผลมันก็งมงายนเช่นนี้ถ้าฝันว่าวิธีแผ่เมตตาก็คือให้นั่งสวดไปนี้นี่งม ง, งายแล้ว ไม่ใช่เป็นวิธีที่แผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ไนั่งสวดแผ่เมตตากันใช่ไหมแผ่แบบนี้มันมันสบายไงไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปเจอใครมันไม่ได้แผ่มันไม่มีผลอะไรกับคนที่เขารับจากการแผ่เมตตาของเราเพราะหนึ่งไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราแผ่ให้เขา แผ่ก็โทรไปบอกเขาเสร็จให้เมื่อกี้โทรเมื่อกี้นั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาให้คุณคุณได้รับหรือเปล่าถามเขาดูเลยมันจะได้รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าไม่ได้รับหรอกเขาจะได้รับต่อเมื่อเราเจอหน้ากันแล้วยิ้มให้เขาอย่างนี้เขารู้แล้วอ่ะอันนี้เราแผ่เมตตาให้เขาแล้วไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็บึง้งแต่เวลารับหลังโอ้ยแผ่เมตตาให้เขาใหญ่เนอัเนี้งมงายใม่ไหมพวกชาวพุทธเหานี้แปลกนะ กลับมางมงายไกลเรื่องง่ายๆเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยทุกคนคิดว่าแผ่วิดเวลาแผเมตตาต้องแผ่ตอนไหว้พระสวดมนต์เวลาอื่นไม่แผ่อันนี้ผิดแล้วเวลาไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นการศึกษาเป็นการทบทวนเป็นการเตือนใจว่าเวลาเราพบปะกันเราต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันแต่พอไปเจอกันก็ทะเลาะกันตีกันใช่หไหมด่ากันว่ากันแย่งกันลุมกินโต๊ะกันนะ ไม่มีความเมตตากันเลยเพราะว่างมงายคิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการสวดนั่นเองอย่างนี้เรียกว่างมงายเพราะมันไม่มีผลประโยชน์แต่อย่างใดมันไม่เป็นความจริงแต่ถ้าฝันว่าครูบาอาจารย์มาสอนให้นั่งสมาธิแล้วเราไปนั่งสมาธิจิตเราสงบอานนี้ไม่งมงายอันนี้เป็นของจริงของมีคุณค่ามีประโยชน์กับเราคาถามต่อไปจากคุณสุริยะ เมื่อจิตเราสงบนิ่งอยู่จนลมหายใจละเอียดบางครั้งเหมือนไม่มีลมหายใจครับแต่จะมีอาการหนึ่งที่เฝ้าสังเกตบริเวณปากจะกระตุกเป็นบางครั้งพร้อมกับน้อมดูลมหายใจไปด้วยลมก็นิ่งเบาปกติแบบนี้ควรระวังหรือต้องปรับแก้ตรงไหนไหมครับอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวให้เฝ้าดูลมไปอย่างอื่นอะไรจะโผล่ขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจ ให้คอยเฝ้าดูลมอย่าทิ้งลมถ้าทิ้งลมแล้วเดี๋ยวจิตมันจะถอนออกมามันจะไม่สงบหมดแล้วเลยเวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างอื่นมาโผล่ให้รับรู้ยังไม่ต้องไปสนใจนั่งสมาธิถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอะไรจะเข้ามาก็ไม่ต้องไปรับรู้เวลาดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอะไรจะโผล่มาให้รับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจ อาจารย์ค ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปหน่อยอพูดใกล้ไมโครโฟนนิมมัสาการ์นคะพระอาจารย์เพื่อนๆชอบเถียงกันว่าเวลากวดน้ํากวดให้ได้แต่คนที่ตายไปแล้วหรือว่าเราต้องกวดให้ตัวเองด้วยจ้ะค ะ, ะเวลาทําบุญอุทิศนี้ให้คนตายไม่ได้ให้ตัวเราเราได้บุญอยู่แล้วเวลางนเราทำบุญใส่บาทนี่เราได้บุญมากกว่าบุญที่เราอุทิศไปะ น้ำไม่ต้องกวนไม่ไม่มีน้ำก็อุทิศได้การอุทิศบุญไม่ต้องใช้น้ำน้ำนี้เป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าเป็นเหมือนบุญเราเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปภาชนะหนึ่งเหมือนส่งบุญจากใจเราไปสู่ อ, อีกใจหนึ่งเท่านั้นเองความหมายของการใช้น้ําเวลาทําบุญเสร็จก็ระลึกภาณจิตได้เลยว่าขอทิศบุญที่ได้ทําจากการใส่บาตรนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปแล้ว เขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับไปส่วนตัวเราไม่ต้องอุทิศหรอกเพราะเราได้แนละ้วทำใจแล้วทำบุญเราก็ได้บุญทันทีคำถามต่อไปจากคุณน้ำพึ่งเวลากำหนดลมหายใจร่วมกับการภาวนาพุทโธแล้วสติไม่ค่อยอยู่เลยนับลมหายใจร่วมด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับ หม่หวว่าไงเมื่อกี้บอกดูลมกับพุทโธแล้วงไงครับดูลมกับพุธโธไปด้วยครับแล้วก็สติไม่อยู่ก็เลยนับเลขไปด้วยอีกครับก็แล้วแต่ที่เรานับดูเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างทั้งพุเข้าโทออกหนึ่งพุทเข้าโ ท, อ อ, ท, าโทออกสองเดี๋ยวก็หลงให้สองหรือสามสี่หรือห้าเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นวิธีที่ทาให้มีสติได้ก็ทาไป สำหรับคนแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คำถามต่อไปจากคุณพาดาเจริญสติจนเห็นความคิดของตนเองเห็นความคิดต่างๆทั้งทางกุศลและอกุศลเฉยๆก็รู้ไม่เข้าไปคลุกคลีกับความคิด ในตอนนี้อากุศลเกิดจะเห็นชัดเจนมากเจ้าค่ะและทำในรูปแบบคือนั่งสมาธิในตอนเช้าเย็นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันแต่ไม่มีเวลาไปภาวนาที่วัดเลยเจ้าค่ะทำอยู่ที่บ้านและเจริญสติตลอด ควรทําอย่างไรต่อเจ้าคะก็ทําให้มากๆขึ้นไปนะหาเวลามาทําเพิ่มตัดเวลาอย่างอื่นออกไปเวลาไปดูหนังฟังเพลงเวลาไปไลน์ไปเล่นอะไรในมือถือก็ตัดมันออกไปของพวกนี้มันไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจเอาเวลามาฝึกสมาธิมามาฟังเทศฟังธรรมดีกว่าคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับ ถ้าชาตินี้เราได้เนื้อคู่ไม่ดีหรือว่าได้ภรรยาสามีไม่ดีมาจากกรรมในอดีตชาติใช่ไหมเจ้าคาไม่หรอกอาจจะมาจากความโง่ของเราก็ได้เลือกคนไม่เป็นบางทีบางทีไปดูไปดูรูปอย่า ง, งดูใจสิดูคนอย่าไปดูรูปรูปมันหลอกได้แต่ใจมันหลอกไม่ได้ อยากจะรู้ว่าคุณเนื้อคู่เราเป็นยังไงไปเดินขึ้นเขาภูกระดึงด้วยกันดูเราดูว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าถ้าเราเกิดเดินไม่ไหวเขาจะอุ้มเราขึ้นไปกว่าอย่าไปดูคนตอนที่อยู่กันมีความสุขต้องดูตอนที่ช่วงมีความทุกข์ด้วยถ้าช่วงมีความทุกข์จะรู้ว่าเขารักเราจริงหรือไม่เขาจะทิ้งเราหรือไม่ะ ช่วงมีความสุขเขาก็รักเราสิเวลาไปเที่ยวกันนี่ก็ต่างคนก็ต่างชอบมั้งเวลาไปเจอความทุกข์ยากลำบากเนี่ยดูซิว่าจะกัดฟันสู้กันต่อไปหรือเปล่าหรือจะตีตัวออกห่างนะต้องคนโบราณก็ถึงนิยมให้มั่นกันก่อนไงให้ดูนิให้ดูใจคอเห็นรูปแล้วแต่ยังไม่เห็นใจอยากจะเห็นใจนี่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันทําอะไรร่วมกัน แล้วเดี๋ยวจะเห็นเองเดี๋ยวเกิดเวลาพูดอะไรไม่ถูกใจเขาดูซิว่าเขาจะตะวาดเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณกิจทำอย่างไรถึงจะมีกำลังใจในการทำความดีครับ ก, ก็ดูคนที่ทำความดีสิว่าเขาได้ดีดูพระพุทธเจ้าดูพระรดูพระริยาสงสาวโละ ท่านมีแต่ทำความดีท่าไม่ทำความชั่วท่านก็เลยมีแต่สิ่งดีๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีคนนับถือยกย่องสรรเสริญเขาลบนับถือตายเป็นทั้งสองพันห้า้อกว่าปีก็ยังมีคนกราบไหว้บูชายอยู่ต้องดูตัวอย่างของคนที่เขาได้ดิบได้ดีแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะทําความดีหมดแล้วเลย มีใครอยากจะถามไหมทางนี้ลงมาทางนี้หน่อยกราบน้มัศการพาา่อจาย์ค่ะคือมีลูกสองคนแล้วก็เก็บเงินไว้ให้ลูกแล้วตอนนี้พอถึงกำหนดที่ต้องให้เงินลูกคือครบ2ี่สิปีนะคะแม่ก็บอกว่าแม่จะเอาส่วนหนึ่งอะไปสร้างห้องน้ำถวายวัดลูกจะได้รับกุศลนั่นหรือเปล่าคะ ้องเขาต้องเป็นคนที่ดําหรีเองหรือหรือเขาอนุโมทนายินดีลูกอนุโมทนาเขาก็ได้ถ้าเป็นเงินของเขาบอกก้นี่เป็นเงินของลูกนะค่ะให้เอาไปทําแล้วก็ให้ลูกไปรู้มที่แม่ได้ทำเพียงแต่แม่เป็นเพียงแต่บอกเท่านั้นเองค่ะถ้าลูกยินดีก็เป็นบุญของลูกหมดเลยลูกจะได้รับกุศลด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกค่ะการจะได้บุญนี้ต้องหนึ่งต้องเป็นของของเราสองต้องเป็นความคิดของเรา เราต้องยินดีที่จะเสียสละของเงินไปเราถึงจะได้บุญแต่แม่ไม่ได้บุญเพราะไม่ใช่เป็นเงินของแม่แล้วถ้า แ, แม่ยกให้ลูกไปแล้วก็เป็นของลูกไปแม่เพียงแต่มาสอนลูกว่าอยากจะได้บุญก็ให้เอาเงินไปสร้างห้องน้ําอย่างนี้ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้บุญแต่แม่ อยากจะให้ลูกได้บุญก็บอกเขาไปแต่ถ้าบอกไม่เอาอยากจะไปซื้อรถเดี๋ยวไม่พอแต่อย่างนี้เขาก็จะไม่ได้บุญถ้าเราไปบังคับเขาคำถามต่อไปจากคุณสุริยะเมื่อจิตเราละเอียดจนเหมือนใจจะขาดแต่เราก็ปล่อยให้ขาดก็ขาดไปครับแต่ก็ไม่เห็นตายพอผ่านมาสักพัก ก็เกิดตื้นตันใจมีน้ำตาไหลออกมาแต่มีความสุขเบาในใจและใจก็อยู่ในความไม่มีอะไรให้คิดนิ่งเฉยๆครับสามารถวัดได้ไหมครับวัดสมาธิก้าวหน้าถึงขั้นไหนก็เวลาใจจะสงบนี้บางทีมันจะรู้สึกจะขาดใจตายมันดูลมแล้วจะรู้สึกว่าลมมันจะ หายไปจะหมดลมก็ปล่อยมันหมดไปเพราะนั้นจิตมันจะทิ้งลมไงมันพอทิ้งลมมันเหมือนจะขาดใจแต่พอมันทิ้งแล้วมันก็เข้าสู่ความสงบนิ่งเย็นสบายเวลานั่งไปแล้วเวลาจะรู้สึกขาดใจอย่าไปสนใจถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูไปเดี๋ยวเดี๋ยวจิตมันจะเข้าสู่ความสงบมันจะปล่อยวางลม คำถามต่อไปจากคุณแซมอะไรคือรูปอะไรคือนามครับคือรูปรูปกับนามนี่คือเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราไงชีวิตเรานี้มีส่วนประกอบอยู่5ส่วนด้วยกันเรียกว่าขันห้าขันห้านี่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นรูปกับกลุ่มที่เป็นนามกลุ่มที่เป็นรูปก็คือร่างกายมี ม, มีมีอันเดียวคือรูป ร่างกายนี้เรียกว่าเป็นรูปส่วนนามก็คือนามขันนามที่มีก็คือความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าเวทนาสัญญาความจําได้หมายรูออ้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนี้เรียกว่านามอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใจกับร่างกายมาประกอบกันมาเหมือนมามาอยู่ร่วมกันมาแต่งงานกันมาช่วยกันทําหน้าที่ ใจก็ต้องการอาศัยร่างกายพาไปพาไปไหนมาไหนใจร่างกายก็ต้องคอยให้ใจเป็นคนคอยดูแลหาข้าวหาข้าวมาให้กินหาน้ามาให้ดื่มก็เมื่อมาอยู่ร่วมกันก็เป็นเหมือนสามีภรรยากันนามขันก็อยู่ที่ใจรูปขันก็คือร่างกายที่เราเห็นอยู่นี่คําถามต่อไปจากคุณสุภวั์ วิเวกต่างกันอย่างไรกับอุปัติวิเวกครับลองไปเปิด ด, ดูใน Google ดีกว่าวิเวกอาจจะเป็นแบบวิเวกธรรมดาอุปัติอาจจะว่าว่าแบบสุดๆเหมือนทุกอย่างมันมีแบบธรรมดากับแบบสุดๆเห็นไหมรถเก๋งรุ่นเดียวกันยังมีแบบธรรมดาแบบ สุดๆออปชันเต็มที่อันนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นวิเวกแบบธรรมดากับวิเวกแบบสุดๆหมดแล้วยังยังมีครับคำนะถามต่อคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคารวะสามารถสวดมนต์ทำวัดที่บ้านได้หรือไม่ครับได้ทำที่ไหนก็ได้ขอให้มีที่ที่ไม่มีใครมารบกวนถ้าไปสวดแล้วมีคนมาคอยโทรมาเรียกมาตามให้ไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวสวดไม่รู้เรื่อง สวนแล้วมันจะขาดตอนต้องไปหาที่ที่ไม่มีใครมายุกถ้าสวนในบ้านก็เขียนห้องที่เราสวดมันว่าเป็นวัดแล้วใครจะมาหาโทรมาหาเราก็บอกตอนนี้เราไปวัดหมดแล้วใช่ไหมโอเคถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ